วันไหนคนภาวนาเก่งๆเยอะมันสว่างไหนคนภานาไม่เป็ดเยอะๆก็มืดหน่อยจิตมันมีแสงนะจิตจิตมันมีรัศิมีเวลาพวกเทวดาพวกอะไรพวกนี้เขาเจอกัอนนะเขาแยกเกรดกันได้ตามระดับของรัศิมี <c oughs> พวกเรารัศิมีเยอะเยอะกว่าเทวดา เทวดาก็มีแสงนินดๆหน่อยๆเทวดาล่างๆนะมีแสงนิดหน่อยเราภาวนาแล้วมีแสงเยอะสังเกต ด, ดูเวลาใจมันตื่นรู้สึกไหมมันสว่างจะสว่างขึ้นมานะแล้วก็ค่อยฝึกของเราไปนะมันสว่ า, วางต่ไปสว่างทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่มืดหรอกนะสว่างภาวนาแล้วก็มีความสุข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 ฟังสวดมนต์ของสวนโมกไปบอกพระอริยะเจ้ามีปัญญาดีมีปัญญาดีคือท่านเข้าใจอริยสัจพวกเราภาวนาเนี่ยวันหนึ่งเราจะเข้าใจอริยสัจมีปัญญาดีตอนนี้ปัญญายังไม่ดีเนะี่งไม่เห็นอริยสัจปัญญามันก็เป็นชั้นชั้นนะปัญญาเป็นขั้นข้นไปสมาธิก็เป็นขั้นขั้นไป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 ของเราจะเห็นว่ามีตัวเราสึกหมั้นพูดซื่อๆไม่มีปัญญานะพูดตรงๆก็ยังไม่มีปัญญาถ้าเป็นพระโสดาบันจะมีปัญญาเล็กน้อยคือเห็นความจริงแล้วตัวเราไม่มีพอได้พระสกทาคานะถ้ามีศีลบริบูรณ์มีสมาธิป่นกลางมีปัญญาเล็กน้อยสมาธิปันกลางหมายถึงเนื้ใจมันจะตั้งมั่นนะตั้งมั่นไม่แฉลบซ้ายแฉลบขวา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 อย่างเวลาหลงไปนะั้นจะหลงสั้นหลายแว บ, บไปก็รู้สึกละใจก็จะตั้งมั่นขึ้นมาไหลายแว บ, บก็รู้สึกละใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาเวลาของความตั้งมั่นมันเยอะของเรานึกออกไหมเวลาหลงเยอะเวลารู้ตัวเวลาตั้งมั่นมีนิดเดียวนึกออกไหมหลงที15งนาะทีแล้วรู้สึกตัวทีนแบบึงแวบใช่ไหมหลงไป3นาะทีรู้สึกแวบหนะึ่งอันนี้พวกภาวนาเก่งแล้วนะ คนภาวนาไม่เป็นมันหลงทั้งวันเลยหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยไม่มีรู้สึกตัวสักแว บ, บเดียวเลยนะงันปุถุชนนะลำบากพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าคนส่วนใหญ่ตายแล้วไปอบยัยเขาไม่ค่อยมีสตินะนี่ถ้าเป็นพระโสดานะีศีลบริบูรณนะ์ลสมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยเป็นพระสกทาคาก็มีศีลบริบูรณ์มีสมาธิปานกลางมีปัญญาเล็กน้อย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 กายนี้ทุกข์ล้วนลเลยตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยรูปเสียงกลิ่นรสปวดตาพระก็เป็นตัวทุกข์นะไม่เห็นจะเป็นของดีของวิเศษเลยนั่นใจท่านไม่ไหลไปนในการมคุณอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสปวดตาพระใจของท่านตั้งมั่นถ้าใจมันไม่ไหลไปใจมันก็ตั้งมั่นอยู่โดยไม่ต้องประคองไม่ต้องรักษานี่ถือว่ามีสมาธิบริบูรณ์แลปัญญาของท่านปานกลางปัญญาปานกลางเป็นยังไง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 แจ่มแจ้งในขันห้าทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจนะว่าเป็นตัวทุกข์รุนรุนเนเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจง้งเมื่อรู้ทุกข์แจ่มแจง้งท่านละสมุทยัยอัตโนมัติความอยากจะให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ไม่เกิดขึ้นอีกงั้นรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะก็ละสมุทยัยเป็นสมุดเฉดประหารเลยไม่เกิดขึ้นอีกแล้วสมุทยัยละแล้วละเลยเนาะ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 อยากไปกินข้าวกินของอร่อยไปกินอะไรทีแล้วก็เบื่อก็เลิกไปสนองตันหาเป็นวิธีละตันหายางหนึ่งเหมือนกันสนองมันไปซะอีกพวกหนึ่งนะก็ข่มเอาไว้มีความอยากแนละ้วอันนี้ไม่เอานะข่มใจเอาไว้ก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าได้แบบทรมานพวกหนึ่งใช้มีสติลงไปเจริญวิปัสสนาใจมีความอยากขึ้นมารู้ทันปั๊บมันขาดไปเดี๋ยวมันอยากใหม่รู้อีกมันก็ขาดอีก ก็ก็ปลุกปลุกปผล่โผลอ่อยูน่นะไม่ขาดสมุทเฉดแต่ถ้ารู้ทุกแจมแจ้งนะตัณหาจะไม่เกิดอีกเนื่อว่าละสมุทรไทยแบบสมุทเฉดประหารคือไม่เกิดขึ้นอีกละใจก็จะเจอสภาวะธรรมแจมแจ้งคือแจ้งในนิโรธย่างในนิพพานนิพพานคือความสิ้นตัณหาจิตนี้ไม่มีความอยากไม่มีการดิ้นรนไม่มีความปรุงแต่งมีความสุขนะมีความสุขที่สุดเลย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 ยัไม่ได้เห็นว่าลบปลดลงเป็นไตรลักษณ์นะนะ แ, แค่รู้ทันมันมันดับไปเองละพราะมีสติเมื่อไหร่นะอกุศลจะดับทันทีเมื่ออากุศลดับไปนะอกุศลครอบงำจิตไม่ได้จิตก็ไม่ผิดศีลเห็นไหมแค่มีสติธรรมดานี้แหละก็ไม่ผิดศีลได้ยังมันเกลียดคนนี้มากเลยเห็นนะเกลียดมากเลยมันเกิดรู้ทันว่าเกลียดขึ้นมานะ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 อารมณ์มายุ่อมันยุ่อนะั้นมัเที่ยวหาความสุขทเที่ยวหนีความทุกข์ไปเรื่อยเรารู้ทันรู้ทันนะใจมันจะตั้งยังไงเพราะฉะั้นถ้าเราเห็นใจที่วิ่งไปวิ่งมานะรู้เฉยเนะใจก็จะตั้งเพราะคนที่รู้เนี่ยไม่ได้วิ่งคนที่วิ่งไม่ได้รู้เนะฉะนั้นจิตดวง mm hmm. ที่วิ่งนะมันวิ่งไปแล้วจิตดวงหนึ่งเป็นคนรู้เราก็ย mm hmm. แยกออกมานะตัวที่วิ่งก็ดับไปเกิดตัวที่ตั้งมัน่นไม่มีสตินะใจก็ตั้งมัน่นใจก็สงบได้เอง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 คอยรู้ทันนะแล้วก็คอยคิดพิจารณานะอย่างเห็นร่างกายก็พิจารณาเป็นปฏิคูลเป็นอาสุภาะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยังคิดอยู่ยังเจอด้วยกันคิดนะับใดที่ยังคือเจอด้วยการคิดจะไม่ขึ้นมีปัจ ส, สนานะไม่ขึ้นมปัจ ส, สนาต้องทำสติปัฏฐานให้เป็นนะคอยรู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ถึงความมีอยู่ของใจ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 เรียกว่าเลือดขึ้นหน้าในกรดแรงพอไปเห็นมันเดี๋ยวมันก็หลงทุบๆเดี๋ยวก็ขึ้นอีกพอคิดอีกขึ้นอีกพอไปรู้มันมันก็ลงเราเห็นมันเปลี่ยนแปลงฮะมันขึ้นขึ้นลงลงได้เองฮะการที่เห็นมันเปลี่ยนแปลงเรียกเห็นอนิจจังนะเห็นเลยมันไม่ทนอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะเรียกว่าทุกขังทนอยู่ไม่ได้เห็นเลยมันเป็นของมันเอง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 คิว่าเราต้องจ้องไม่ให้คลาดสายตาเห็นดูพัดเนี่ยจ้องจ้องอย่างนี้ไม่ใช่หรอกนะเวลาที่สติระลึกมันจะรู้ระลึกตรงนี้ได้แวบหนึ่งแล้วมันดับไปมันมาลึกตรงนี้อีกแวบหนึ่งแล้วมันดับลึกนี้แวบหนึ่งมันดับมันจะเห็นนรูปแต่ละรูปมันเกิดดับได้นะนำมาทำแต่ละอนก็เกิดดับวับวับวับวไปอย่างนี้เ ร, เรียกว่าเราจเจริญปัญญามีปัญญาเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์ทำสติปัฏฐาน มีสติรู้กายมีสติรู้ใจนะใจตั้งมั่นเป็นคนดูเราจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจเราเห็นปัจจุบันนะเป็นขณะขณะไปพ เ, เห็นหลายๆอัน ต, อนต่อๆกันไปเรื่อยนะตามรู้หนึ่งๆท่านถึงบอกให้รู้หนึ่งๆไม่ใช่รู้ครั้งเดียวถ้ารู้ครั้งเดียวไม่พอนะต้องรู้หนึ่งๆรู้หนึ่งๆไม่ใช่วันนี้โกรธแล้วรู้พรุ่งนี้โกรธรู้อีกไม่ใชนะ่ถ้าความโกรธปุดขึ้นมาก็รู้ไ ป, ไปรู้เห็นมันดับไปนะ เดี๋ยวตัวอื่นเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้เห็นมันดับไปนี่รู้เนืองๆแต่ไม่ได้จ้องถ้าจ้องนี่รู้แบบไม่ให้คลาดสายตานะผิดนะเดี๋ยวหลวงพ่อตรวจกันบ้านธรรมะมันขาดสะบั้นจะไปว่าเขานะเขาไม่เข้าใจอนะ่าไปโกรธกันใหม่ๆบางทีพวกเราก็ทําพลาดได้หนะลวงพ่อไปเจอครั้งแรกนะเจออาจารย์มหาบัว ตอนนั้นอยู่ในงานศพหลวงปู่ดุลเจนมหาบัวไปงานศพหลวงปู่ดุลพอถึงเวลาหนึ่งทุ่มตรงท่านก็ขึ้นไปเทศคนเยอะเลยนะคนเยอะมีข้างล่างก็เจียวจ้าวไปหมดเลยพระก็ประ ก, ระกาศไมโครโฟนหลวงตาจะเทศแล้วงี้หลวงตาจะเทศเดี๋ยวนี้ยังพูดมากอีกเ <c oughs> งียบเงียบให้เงียบเงียบพอเงีย บ, ยบไปหมดแล้วโดนท่านวักแล้ววัดเงียบเลยนะ ท่านก็เริ่มเทศก่อนจะเทศท่านก็นิ่งๆินิดหนึ่ ง, ง, งแล้วก็ดูท่านนิ่งๆทําทำสมาธิพอท่านเริ่มเทศนะสองสามคำนะโอ้ช่างภาพทักยี่สิบคนได้ลุกขึ้นปับป๊บปับปบ๊นะท่านก็หยุดช่างภาพก็ภูมิใจถ่ายใหญ่โอ้หลวงตาหยุดเทศเพื่อให้เราถ่ายรูปนะ <c oughs> <c oughs> อา้าวแล้วถ่ายรูปพอสมควร อ, อ้าวพอพอพอนั่งท่านเริ่มเทศใหม ครั้งที่สองคนละเรื่องกับเรื่องแรกเราหลวงตาไม่เทศเรื่องเดิมหลวงตาเปลี่ยนเรื่องไปแล้วพอท่านเทศสองสามคำนะช่างภาพเอาอีกแล้วลุกขึ้นถ่ายอีกแล้วพอครั้งที่สามนี่นะโดนวักเลยมันจะโลบมากไปถึงไหนธรรมะของเราดับไปสามกันแล้ว <c oughs> ไม่ให้ถ่ายนะนั่งเฉยๆนั่งฟังใจอย่าวอกแวกแตอนนั้นไม่เข้าใจนะว่าทำไมเอ๊ะ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 ให้เราเทศให้กล้องฟังธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิใช่ไหมรวมความก็คือไม่เอาหรอกบอกไม่เอาถ้าอยากจะอ่านนะั่งก็เป็นเราไปเทศที่ไหนก็เป็นดักเอาเองก็แล้วกันนะเขาบอกอยากได้ทั้งแต่ต้นเลยนะทั้งแต่เบื้องต้นเลย30ชั่วโมงแบบจัดคล้ายๆเทศเป็นลําดับลําดับจบหลักสูตรเลย30มสิบชั่วโมงเราเทศไม่เป็นหรอกเทศอย่างนั้นเทศไม่เป็นนะเทศให้กล้องฟังเทศไม่เป็น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 ครับน้มัสการหลวงพ่อครับผมเป็นคนชอบคิดนะฮะก็เลยน่าสงสารนะถ้าชอบคิดน่าสงสารนะว่าไงปกติอยากจะเดิมอยากจะนั่งสมาธิแต่ทําไม่ได้ก็เลยเลือกปฏิบัติที่จะดูความเผลอแล้วก็รู้สึกตัวมาโดยอาศัยกายเป็นวิหารธรรมครับอม่สาระถกใช่ได้สิถูกถูกจริตอยู่แล้วแหะพวกช่างคิดก็ต้องดูจิตเอา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 ที่ฝึกอยู่ใช่ได้นะใจก็สงบใจก็ตั้งมั่นเพียงแต่ตอนนี้ประคองไว้นิดหน่อยมีอไหมใครอยู่วัดวันนี้มีคนเดียวหรือก้าวส่งกันบ้านไหมไม่ไปครับหลวงพ่อเห็นจิตมันไหลไปคิดได้เร็วขึ้นมั่งครับดีสิเห็นไม่ไหลทั้งวันแป๊บแรับ เนี่ยปูโุชนใช่ไมจิตไม่มีสมาธิไม่ตั้งมัน่นไหลแวแบๆบแบบแล้วพอกิเลสหลอกแล้วนะก็ผิดศีลง่ายไงนี่เรามีสตินะเราคอยรู้ใจไหลแวบๆบแบบคอยรู้ไปเรื่อยๆสติมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเนการู้สึกไหมรู้สึกไหมแล้วใจมันมีแรงมากขึ้นมีกําลังสมาธิมันก็ดีขึ้นใจมันก็มีแรงมากขึ้นดีแล้วไปฝึกต่อนะมีใครอีกที่อยู่วัดวันนี้มีไหมไม่มี อ๋อพี่วไวอคือนึกว่าจะไม่ส่งการบ้านก็ช่วงนี้เห็นกิเลสไห ล, ไลมาไหลไปเหมือนเหมือนน้ําไหลมาไหลไปก้อนๆอยู่บนบกไหมหรืออยู่ในน้ําอยู่บนบกอต้องอยู่บนบกนะเราอยู่บนบกนะเห็นกิเลสไห ล, ไลมาไหลไปมันเห็นน้ําไหลก็เราอยู่บนบกอยู่บนบกคือใจเราเป็นคนดูดูอยู่ห่างๆนะลงไปคิดนะหลงไปลนะ ก็ดีนะพี่หัยแต่ใจยังฟุ้งสั้นอยู่คือความฟุ้งสั้นยังครอบงําจิตอยู่ตอนเนี้ยรู้สึกไหมฟุ้งมันฟุ้งเล็กๆ ล, เ, ลเออ <ๆ S 1> นะแล้วจิตนะเคล้าอยู่กับความฟุ้งให้รู้ทันอีกทีจนกระทั่งมันขาดออกจางกันแต่ว่าขาดเองไม่ได้ดึงไว้นะไม่ได้ดึงให้ขาดอเชิญโยมไปทานข้าวไปนี่มนเลยครับนีมน